ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอจุดเด่นที่ควรศึกษาในปฏิจจสมุปบาทสื่อต่อกันมาถึงช่วงที่เป็นการสื่อสารด้วยโบหารที่แตกต่างกันโดยยกกรณีที่พระโมลยพักคุณะ ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าในํานองว่าใครเป็นผู้ถูกต้องแล้วก็เสวยอารมณ์ถ้าเยอทยานอยากเลายึดมั่นเป็นต้นเนี่ยพุทธเจ้ารับสั่งว่าตั้งปัญหามไม่ถูกควรจะตั้งปัญหาถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรคือหมายความว่าผู้ถูกต้องเนี่ย วาพาสะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเป็นต้นตรงนี้ในสูตรก็ทรงแสดงตามที่จะมีการสวดสาธยายกันวาพาสะเป็นปัจจัยเป็นเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเป็นต้นเอ่อซึ่งเป็นการทรงแสดงปฏิจจสมุปาท จากปัจจุบันนผลไปสู่ปัจจุบันนเหตุคือหมายความว่าเป็นการพูดถึงเรื่องนามรูปที่เป็นเหตุเกิดตันหาวปาทานซึ่งเป็นปัจจุบันเหตุเพื่อแสดงเห็นว่าเวลาสัมผัสอารมณ์ทางประสาทสัมผัสเราอาจจะสัมผัสแต่เราอาจจะไม่มีเวทนาก็ได้ คือไม่มีสุขมีทุกข์ก็ได้แปลว่าเฉยๆเราจะมีตัณหาก็ได้ไม่มีตัณหาก็ได้มันขึ้นอยู่ที่สภาพจิตของเราท่าทีของเราต่ออารมณ์เหล่านั้นและตัวอารมณ์เหล่านั้นซึ่งปฏิจริงตัวอารมณ์เหล่านั้นมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับบุรีมันเหมือนกับสุรามันเมือก็ลุกลงหรสพเหมือนกับสิ่งดีงามทั้งหลายเหมือนกิจกรรม มีการเจริญสมรักกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันอยู่ในสถานที่นั้นๆเน่เราก็พบเห็นด้วยกันแต่ปัญหาว่าพื้นใจเราเนี่มีความโน้มเอียงไปในทางไหนมันก็เป็นแนวเหมือนสมุนไละสูตรที่ทรงแสดงทั้งการไม่ครบผ่านการไม่ครบาการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลบูชาการดูในประเทศที่สมควรเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยมันมีอยู่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่ในไหน คนพานก็มีอยู่ก่อนแล้วบัณฑิตก็มีอยู่ก่อนแล้วผู้ควรบูชาก็มีอยู่ก่อนแล้วประเทศที่สมควรก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่ปัญหาสาคัญว่าเรามีพื้นฐานบุญบา ร, รมีที่กระทาไว้ในอกา์ก่อนเป็นการสร้างความนุมเอียงความสนใจแนวโน้มของเราเนี่ยไปในทางใดเราไม่รู้เหมือนกันแต่งไงก็ตามเราก็ได้เรียนรู้โลกอยู่พอสมควร มันก็ต้องมีเป้าหมายในการที่ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบพอตั้งตนไว้ในทางที่ชอบมันก็สิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยแล้วก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าเป็นเหตุแห่งสุขหรือเห็นแห่งทุกข์และกระแสต่อไปที่เป็นตันหานี่จะเป็นธรรมะก็ได้นะฮะเป็นตันหาก็ได้ผลคนเราก็เห็นเรื่องเดียวกันก็ไปกันคนละทาง คนหนึ่งอาจจะเห็นสาวสวยแล้วก็ลหลงไหลคลั่งคลายอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนแก่ตายไปตามกันคนหนึ่งอาจจะเห็นสาวมองไประยะหนึ่งทั้งสาวทั้งเราก็กลายเป็นโศกเปื่อยน่าปูกปังไปทําการหาสารแกลนสารอะไรไม่ได้แล้วก็สารล ะ, ะวางความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นบําเพ็ญเพียรบำรุงมะขอนไปก็ได้เราก็มีตัวอย่างคนอยู่แล้วทั้งสองกลุ่ม แต่ว่าการรับสั่งแสดงเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันเป็นโบหารเทศนาคือเป็นเทศนาที่หลากหลายดโดยโบหารจะแสดงแนวใดแนวหนึ่งมันไม่ได้หรอกวุฒิภาวะของผู้ฟังไม่เหมือนกันเพรอนบางครั้งเนี่ยก็ทรงแสดงภาษาธรรมดาธรรมดาเจนนัยนิเทศแห่งอุเปนวาสารติยานอธิบายถึงการเลึกชาติก่อนของพระองค์เนี่ เป็นการพูดภาษาธรรมดาภาษาที่มีคนนะมีผู้มีผู้เกิดมีผู้หมุนบนมีผู้มีสุขมีทุกมีผู้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นจะได้ทรงแสดงว่าเรามีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้มีวันละคือผิวพันอย่างนี้มีพวกอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้แล้วก็สวยสุขสวยทุกอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นการพูดก็แบบที่พระภกุณะถามนั่นแหละ เราอย่าลืมว่าพระพุทธองค์นาถามเนี่ยท่านควรจะคิดอะไรให้นึกซึงมากกว่านั้นแต่รพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยต้องแสดงด้วยภาษาที่คนระดับล่างเข้าใจได้เมื่อคนระดับล่างเข้าใจได้เนี่ยคนระดับบนก็เข้าใจไม่ต้องไปห่วงอะไรกับคนระดับบนราะลั้นแต่เราดูธรรมเทศนาส่วนใหญ่แล้วก็จะมองไปที่คนระดับที่ค่อนไปทางล่าง คลายกับคนอยู่ในห้องประชุมเยอะเนี่ยฮะหลายจําพวกเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคนนะระดับล่างว่าระดับล่างก็เข้าใจหรือเปล่าถ้าระดับล่างเข้าใจระดับบนก็ไม่ผิดนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ข้อที่ไม่ควรลืมว่าความเป็นเราที่ว่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจึงเป็นเรื่องสมมติบัญญาต่อ ปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลการแล้วเคลื่อนจากพบไปสู่พบจากพบสู่พบจากพบสู่พบด้วยองค์ประกอบหลักสามอาการคือเลสปิเลส ก, กรรมแล้วก็วิญญาณเราอาจจะเรียกว่าตันอวิชาตาัหาอุปาทานกรรมเราก็สร้างขึ้นเป็นวิญญาณวิญญาณก็ไปถือกำเนิด ตามแรงปรักดันของกรรมคือตามการปรุงแต่งของกรรมบางคำเราจึงได้ยินคำที่ธรรมดาเลเช่นคนตายนี่จะพูดแบบธรรมดาพูดดยภาษาธรรมดาในคาถาบางสกุลเป็นสมชายกัมอติยัง อ, อจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหรอปฐวีงอธิเสษสติจะล้มลงเหนือแผ่นดิน จุดดวงเปตวิน ญ, ญาณโอภวิญญาณออกไปจากร่างแล้วในรถถังวะะัคกลิงกระลงังก็เหมือนกระถอดไม้ที่หาสารกแกนสารไม่ได้เห็นไหมพูดวิญญาณแบบตัวตนเลยวิญญาณแบบเดินทางเลยจากจากร่างนี้ไปสู่ร่างนี้จากร่างนี้สู่ร่างนี้จากร่างนี้สู่ร่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันไม่เข้าใจเลยก็มองแล้วแคเป็นพรามครับเ พ, พราะพราหมมันมองล้ายๆกับ ร่างกายเนี่เหมือนกับบ้านบ้านมันพังไปได้เจ้าของบ้านก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่เรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวตนที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงแต่ของเราในความเคลื่อนไหวนี่แหละในความเลื่อนไหลนี่แหละมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันใไล้ๆกับการสืบพืชพันธุ์ของต้นมะม่วงเมื่อกี่ร้อยปีที่แล้วก็ได้ แต่มม่วงชนิดนี้เมื่อหลายพันปีที่แล้วรสชาติมันเป็นอย่างเนี้ยผิวมันก็ผนมันก็เป็นอย่างเนี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกข่ะหรือแม่น้ําโขงแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วมามันก็ไหลต่อกันมาอย่างนี้แต่ไม่ใช่น้ําเมื่อล้านปีที่แล้วเป็นกระบวนการของการเลื่อนไหลที่ต่อเนื่อง เราต้องยอมรับว่าน้ําเมื่อปีที่แ ล, แล้วมันออกไปนอกทะเลหายไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันมื่ออากาะเหยขึ้นเป็นไอแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนแล้วก็ไหลลงมาจากข้างต้นหรือว่าตกลงตรงนั้นหรือว่าตกข้างล่างมัวนวนกันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะนเรามองบางทีนี่ถ้าเราไม่สังเกตเอก็เหมือนกับพร้ามาจีไถาอย่างนั้นนะไ ม, ไม่เหมือนนะ หลวงพราหมณ์นีถาวรเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยและโดยเฉพาะยงยิ่งพวกศาสตทิฏฐิที่พวกเห็นว่าเที่ยงเนี่ยมันเชี่ยงแรงบางพวกนี่ถือว่าเชี่ยงแรงนั่คนตายจากคนเกิดเป็นคนตายจากคนเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนจนขนาดบอกไม่เปลี่ยนแปลงนะเจ้วันนายกขาเปตาเหล่นี่ยเกิดกี่พวกปีชาติหรอขาเปตาเหล่ทุกทีแล้วเป็นคนทุกทีอย่างเงี้ยนั่นเป็นลักษณะตัวตนที่ถาวรแต่คนเราไม่นิ่ง คือแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเที่ยงแท้แน่นอนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ากายเราเที่ยงแท้แน่นอนกายก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่มันเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิ ต, ตท่านั้นเองเพราะฉะนั้นระหว่างกายกับจิตถ้าเราจะถือว่าเที่ยงแท้เนีให้ถือกายดีกว่าเพราะกายมันอยู่ได้เป็นขณะยาวๆเลยแต่จิตมันอยู่ได้ไม่นานมันไหลตลอดระยะเวลาเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับทยอยกันไปเป็นครึ่น ทีนี้บางครั้งทรงใช้คำที่ฟังแล้วหากไม่พิจารณาประสงค์หมายถึงอะไรกว่าจะเข้าใจว่าตัวตนเที่ยงดังกล่าวจะยกตัวอย่างในเวลาสรุปสาดกในสาดกเนี่ยท่านผู้ฟังเวลานี้มีพระไตรปิฎกเปิดเผยแพร่ อ, ๆๆอยู่นะว่างๆก็ลองหยิบสาดกในก็มีอยู่สิบเล่มใหญ่ๆนะลองเปิดมาดู ในตอนสุดท้ายจะสรุปฉาดุกตัวตนละคนเตัวตนบุคคลในเรื่องอ่ะเรามาสรุปว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยคนในชาตินั้ น, น, นเนี่ยมาเป็นใครในปัจจุบันเช่นว่าเราเมื่อเป็นพระเวสสันดรกำลับบงสร้างบารมีอยู่หรือว่าพระเจ้ากรุมสนชัยในครั้งนั้นไปมาเป็นพระพุทธบิดาในครั้งนี้ พนางพุทธดีในครั้งนั้นได้มาเป็นพนรารงสิมายาในครั้งนี้มัตสีในครั้งนั้นมาเป็นมารดาราหุลในครั้งนี้จาลีในครั้งนั้นมาเป็นราหุลในครั้งนี้กันหาในครั้งนั้นมาเป็นอุบลนบรรณาในครั้งนี้ท้าสกะในครั้งนั้นมาเป็นอนุรุตในครั้งนี้เนหะ็นไหมฮะมันดูคล้ายๆกับว่าพนางพุทธดีกับพนางสิมามายานเป็นคนเดียวกันแต่ที่จริงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเทำนองคล้ายๆกับเราเอ า, มาเมล็ดมะม่วงมาจากอินเดียนะฮะแล้วมาปลูกที่เมืองไทยมาขยายออกไปจังหมดมากแล้วต่อมาเราก็ไปเที่ยวอินเดียเราไปที่ป่ามะม่วงตรงนั้นแหละเราก็ชี้อบอกว่ามะม่วงที่ที่เมืองไทยที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยเอาพันมาจากตรงนี้ มันเป็นการสืบต่อแต่รูปร่างรสชาติเนี่ยเหมือนกันหรือ ว, ว่าใกล้เคียงกันแสดงถึงอาการที่เก็บรวบรวมคุณสมบัติของจากต้นเดิมไปด้วยเพราะกระทาให้ชีวิตมันไปเอากิเลส ก, กรรมในความเป็นกิเลส ก, กรรมเนี่ยมันก็มีวิบากอยู่ด้วยกิเลสกรรมวิบากเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในชีวิตของเรามันก็ติดติดกิเลสกรรมวิบากมา อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนโน้นว่าคือถ้าเราหยุดมองให้ดีจะเห็นว่าไอ้กรรมสามประเภทที่ส่งแสดงว่าให้ผลในชาตินี้ให้ผลในชาติหน้าให้ผลในชาติต่อๆไปนั้นในแต่ละชาติเนี่ยเรามีกรรมครบทั้งสามชาติไม่ใช่สามชาติหรอกคือไม่รู้สักกี่ชาตินะนะโดยเฉพาะกรรมประเภทที่เรียกว่าให้ผลในภกชาติต่อๆไปเนี่ยเมื่อเราย้อนขึ้นไปสู่อดีต อวบดีสักสามชาติเนี่ยระดับจะสี่ชาติกรรในชาติที่สามกับกรรมในชาติที่สี่เมื่อมาให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปกรรในชาติที่สองต่อจากชาตินี้ก็กรรมให้ผลเมื่อเมื่าให้ผลในชาตินี้ก็ถือว่ากรรมให้ผลในชาติต่อไปกรรในชาตินี้ให้ผลในชาตินี้ก็คือกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันผมมาถึงชาติหน้ามันก็ลักษณะอย่างนั้นน่ย วันแต่เราตัดตอนออกเป็นตอนตอนตอนตอนสามตอนนะในใจเรเชื่อมกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ดึงเอาสิ่งดีสิ่งไม่ดีที่บุคคลสะสมเอาไว้ก็กลายเป็นที่เราพูดรวมๆ ว, ว่าอาสวะกับบารมีหมายความอาสวะก็คือกลุ่มของความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่เราผ่านภพชาพตาิต่างๆมามันก็ตกตะกอนอยู่ภายในใจมากน้อยไม่รู้ว่าก็เรียก อ, อาสวะ แต่ในส่วนดีถ้าเราสะสมเก็บรวบรวมเอาไว้ผ่านภพชาติต่างๆมาเป็นนันเด็กันนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าบารมีก็สะสมอยู่ภายใ น, นจิตใจเราเช่นเดียวกันพวกนี้ก็นําไปสู่ภพชาติและนําไปสู่กระบวนการของกรรมที่เราเรียกว่ากรรมแต่งให้เกิดกรรมอุปธรรมกรรมเบียนกรรมฆ่ากรรมสนับสนุนกรรมเบียนกรรมฆ่าเนี่ย แล้วก็เมื่อให้ผลกันเสร็จหรือไม่มีโอกาสให้ผลก็กลายเป็นพวกระ h สิกรรมพวกนี้เขาจะเขาจะไปเชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่เราแยกไม่ออกนะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของการลระการทงหมดทีนี้หากเราไม่เข้าใจพุทธประสงค์เนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจว่าจิตเที่ยงพระพุทธเจ้ารเราตซันดอร์เป็นคนเดียวกันเนี่ยมันก็มีได้ อย่างในสมัยหนึ่งที่คนเขาต้องการจะด่ารัฐบาลแต่ไม่กล้าด่าตรงๆสมัยจอมพลปภิบูลสงครามนะฮะถ้าหากว่าระหว่างเอกสารสมัยนั้นมันจะเจอข้อความเป็นอันมากที่เราเรียกว่าด่ากระทบด่าพระเวสสันดรว่าเอาเงินจากพระคลังข้างที่ไปแจกจ่กจายแก่รัษดรเพื่อหาเสียง ก็จริงๆก็ต้องการด่ากระทบจอมพลปที่เอาเงินไปช่วยรัสดรแต่ก็ไม่กล้าดา่าเลยสุดก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าใจดำมลุกไปให้ทานอเมเบียไปให้ทานโดยไปเอาพระพุทธเจ้าไปสันดอนเป็นคนเดียวกันแต่เราเห็นว่าถ้าเราเชื่อมโยงโดยไม่มีเหตุผลมันก็จะกลายเป็นปัญหาทันที ดังนั้นคนสามัญทั่วไปเนี่ยจิตใจ ย, ยังไม่เป็นนี่พอยังไม่สูงพอจะไม่สามารถาระลึกชาติได้พอาะถ้ า, าระลึกชาติได้เราคงยุ่งน่าดูนะจะสงสว่าเราเป็นนี่ใครนี่ใครสักคนหนึ่งในชาติในชาติก่อนในชาติปัจจุบันหนึ่งแล้วเราคิดจะเบี้ยวเราก็บอกไปชาติก่อนคุณก็เป็นนี่ผม เอคุณถือว่าชดชชยกันแล้วกันเดี๋ยวคนบางคนก็มีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยเราก็บอกเขาว่าชาติก่อนนี้เขาเป็นแม่เราแล้วก็เขาทิ้งเราไม่เลี้ยงดูเราันชาตินี้ก็ต้องมาเลี้ยงดูชดชายให้ก็ยุ่งกันหมดอะโลกมันป่วนไปหมดอยู่กันไม่ได้แร้เพราะฉะนั้นเวลาคนมาถึงระดับตรงนั้นแล้วเนี่ยมันต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า พระเวสสันดรคุณธรรมบารมีและก็ก็เรื่อง ร, ราววิชากับสังขารของพระเวสสันดรเนี่ยเชื่อมโยงมาถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความอาการกระทาในสมัยพระเวสสันดรบานเรื่องในแง่ของสังคมที่บรรจบไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เจ้าชายธิตาจะต้องไปรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันศูนย์ที่เป็น อาสวะบารมีโดยจะพยัยิ่งก็บาลมีเยอะแล้วนะฮะอาสวะมีน้อยแลนะแต่อาสวะกับบารมีนะฮะสรุปกิเลกกัตกรรมเนะี่ยว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาถึงเจ้าชายจิตตตาเจ้าชายิตตตาก็สเสวยผลทั้งบวกทั้งลบไปนะคือบวกก็มีลบก็มีก็แล้วแต่ในสายอาสวะก็มีสายของบารมีก็มี ในความจริงแล้วเป็นความสืบเนื่องกันอย่างมีระบบมีเงื่อนไขที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยและเกี่ยวเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยการด้วยเหมือนกับความดีความชั่วที่เราทำสมัยเป็นเด็กเนี่ยแต่ว่ากลับให้ผลเมื่อเป็นคนหนุ่มหรือแก่เท่าแล้วซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความดีความชั่วนั้นเป็นการกระทาของตนและไม่เกี่ยวข้องกับตนทั้งๆที่ตนในขณะนั้นกับขณะทำเนี่ย มันต่างกันเราเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วลุง ป, ปูที่วัดเนี่ยกำลสิ้นไปนานแล้วกวนๆฉลาดปราดเปรื่องมากแล้วต่อมาเนี่ยมันเกิดอาการโรคเก่ากําเริบ่านลืมลืมหมดเลยทั้งซื้อทนังสือนี่ลืมหมดแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยวไว้คุยกันทันแล้วก็เล่าให้ฟังว่า มันเกิดจากอุบัติเหตุสมัยเด็กแล้วไอ้เส้นประสาทส่วนนั้นเนะี่ยมันตีบมันตีบหมอเอ็กซเรย์ออกมาก็หินมันตีบมันชำ้ำตัวเส้นมันเดินไม่ได้แล้วก็มาให้ผลเมื่อท่านอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าแนละ้วในการต่อมาต่อมาเองก็เคยเจอคือตอนตอนเป็นเด็กเกิดอุบัติเหตุตกลงมาจากหลังคาสลบไปนะ่ ในการต่อมาเราก็รู้สึกแขนเนี่ยไม่ค่อยมีแรงพอถึงวันหนึ่งมันยกของไม่ได้อะแขนมันอ่อนหมดยกขันน้ำอาบก็ขันหล่นเพล้งเลยก็ตกใจก็ไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์วนสอบดูว่าการะดูกที่คอนะข้างหลังเนี่ยมันแตก้วกดเส้นประสาทรู้สึกเส้นที่หกอะไรในหมออธิบายกัน ก็มือต้องผ่าต้องผ่าตัดหมอก็เจาะผ่าตัดแล้วก็ทุกวันก็ดีขึ้นแต่นั้นก็สมัยเราเป็นเด็กอายุสิบประมาณสิบห้าปีต่มาให้ผลเมื่อเราอายุตั้งห้าสิบกว่าเกือบหกสิบนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในในส่วนร่างกายของเรามันก็ต่อเนื่องกันมาแต่ว่า เราไม่ได้ทําในขณะนี้แต่เราทําในขณะก่อนโน้นร้อนกรรมก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับโรคบางอย่างเนี่ยคือในตอนที่เรายังเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยเรายังแข็งแรงเราก็มีภูมิด้านทานสู้อาจจะรู้สึกผิดปกติอยู่เช่นล้าเร็วเขียนหนังสือไม่ค่อยได้นานจึงรู้สึกว่าผิดสังเกตตัวเองเ น, นะฮะว่าทํำไมเราเขียนหนังสือไม่ค่อยได้มันปวดแขนจริง แต่พอเรารู้ข้าวเนี่ยมชื่อมโยงไปอุยอนย้อนหลังไปไกลย้อนหลังไปไกลมากแล้วก็ทำให้เห็นหมดเลยว่าทั้งด้านกายภาพและทั้งด้านจิตเนี่ยมันจะมีการสิ่งที่สืบเนื่องกันมาซึ่งในด้านในด้านจิตเนี่ยมันก็กลายเป็นมาทำด้านกายได้นะก็เรียกว่ากรรมมาชรูป คือกรรมที่มาสร้างพวกเนี้ยสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างอะไรอะไรของเรานี่มันจะเกิดจากกระบวนการของกรรมแล้วโดยประ菩ัพัญายุตยานหรือพุทธญาณเนี่ยทูเจ้าจะสามารถเชื่อมโยงให้เราเห็นได้ว่านี่มาจากนี้อนี่มาจากนี้นี่มาจากนี้นาาก็เห็นเป็นกระบวนการของของเหตุปัจจัย บางเรื่องก็เป็นช่วงสังส้นๆของการแต่ในเรื่องสังสารวัฏนั้นเป็นการที่ยุดยาวเหยียดออกไปไปสู่อดีตการที่นานไกลนะเวลาตอนที่เราพูดเรื่องพระโพธิสัตว์เราเรียกเราเรียกว่าทูเรนิธานคือเรื่องไกลลิบล้นพ้นประมานับกันไม่ไหวไม่ไหวและพวกเหล่านั้นนะ่ะในส่วนดีและส่วนไม่ดีมันก็ตามมา เรารู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยญาณญาณที่ย้อนขึ้นไปสู่อดีตเราเรียกว่านาฏอติตังษยานอย่ามัาวแต่ย่อระลึกชาติก่อนได้เนี่ยก็คืออติตังษยานหรือลึกย้อนไปสู่อดีตแล้วก็ไปเชื่อมโยงว่าผลที่ปรากฏในขณะเนี้ยรูปร่างที่เป็นอย่างนี้เพระมาจากสิ่งนี้ดวงตาที่เป็นอย่างนี้เพระมาจากสิ่งนี้ลิ้นที่เป็นอย่างนี้เพระมาจากสิ่งนี้ เราจึงเห็นเป็นกระบวนการของปัจจัยเหตุปัจจัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแรงตัวการสำคัญเนี่ยคือกุศลอกุศ ล, ลหรืออาสวะกบารมีที่สืบต่อมาภายในจิตใจของเราและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเราดังนั้นพระพุทธธรรมหลักเป็นอันมากในกุศละสังยุทธ์เนี่ย แสดงถึงลักษณะความสืบเนื่องที่ผ่านพบชาติเพราะว่าที่แสดงแกพระเจ้าประเนสนในกุศลนั้นจะแสดงธรรมะระดับเรียกว่าสินธรรมยัญญาและก็ง่ายต่อการที่พระองค์จะทําความเข้าใจเพราะว่าพระองค์เป็นสามัญชนซึ่งจะกล่าวมาเป็นตัวอย่างในโอกาสต่อไปต้องฝั่งทงั้งหลาย แต่ร่มประบุติาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง่องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทรว ก, กันสวัสดี